ว่าด้วยอนุสติสำหรับพระอริยสาวกณที่นั้นแลท่านพระมหากัจจานะเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหากัจจานะแล้วท่านพระมหากัจจานะได้กล่าวดังนี้ ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วคือข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงโอกาสได้ในที่คับแคบ เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญยญยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานการถึงโอกาสนี้คืออนุสติหกประการหกประการเป็นไน ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอัริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์กระสรู้เองโดยชอบ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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดอดริยะสาวกย่อมระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นเป็นจิตไม่ถูกราคะกรุ่มรุมไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมไม่ถูกโมหะกรุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความอยากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำว่าความอยากนี้เป็นชื่อของเบญจา ก, กามคุณอริยะสาวกนั้นแลย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศไั่บุญเป็นมหาลัคตะหาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำพุทธานุสติแม้นี้ให้เป็นอานรมย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการชนิดอีกประการหนึ่งอริยะสาวก ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียบให้ดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใด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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำว่าความอยากนี้เป็นชื่อของเบญจา ก, กามคุณอรยะสาวกนั้นแหลย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศไัยบุญเป็นมหารคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่ แต่บางพวกในโลกนี้ทำธรรมานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการชนิ้อีประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อยายธรรมปฏิบัติชอบนี้คือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนั่นคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับ ควรของทมบุญควรกระทำอันชฉลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงค์สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นเป็นจิตไม่ถูกราคะกรุ่มรุล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 ย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศภัยบณ์เป็นมหาตรคตะหาประมาณนม้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำสังคานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธ เป็นธรรมดาด้วยประการชนิดอีกประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดาม่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสารเสริญอันตันหาทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกยอมระลึก ถ, ถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นเป็นจิตไม่ถูกราคะกรุ้มรุมไม่ถูกโทสะกรุ้มรุมไม่ถูกโมหะกรุ้มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียว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 ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำศีลานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการชนิอีกประการหนึ่งอริยะสาวก ย่อมระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอคือเมื่อหมูสัตวถูกมนทินคือความตรณีกรุ่มรุ่มเรามีใจปราศ จ, จากมนทินคือความตระนีอยู่ครองเรือนเป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่มคอยหยิบของบริจาคยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดอริยะสาวกย่อมระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นเป็นจิต ไม่ถูกราคะกรุ่งรุมไม่ถูกโทสะกรุ่งรุมไม่ถูกโมหะกรุ่งรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความหยากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำว่าความหยากนี้เป็นชื่อของเบญจา ก, กามคุณ อริยะสาวกนั้นแลย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศไยบุญเป็นมหาตรัคตะหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่สัตว์บางพวกในโลกนี้ทำจาคานุสติแม้นี้ให้เป็นอารม ย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการชนิอีประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาเหล่าจัตุมหาราศมีอยู่เทวดาเหล่าดาวดึงมีอยู่เทวดาเหล่ายามามีอยู่ เทวดาเหล่าดุสิตมีอยู่เทวดาเหล่านิ ม, มานรดีมีอยู่เทวดาเหล่าปรณิมมิตวัสวัตตีมีอยู่เทวดาเหล่าพรมมีอยู่เทวดาที่สูงกว่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติ จากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดด้วยสุตเะเช่นใดด้วยจาระเช่นใดด้วยปัญญาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นปัญญาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยใดอรยะสาวกย่อมระลึกถึงศีลสุตรตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้น สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นเป็นจิตไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไปพ้นไปหลุดไปจากความอยากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย คำว่าความอยากนี้เป็นชื่อของเบญจกามคุณอริยะสาวกนั้นแหละย่อมมีใจเสมอด้วยอากาศภัยบุญเป็นมหารคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงอยู่สัตว์บางพวกในโลกนี้ ทำเทวตานุสติแม้นี้ให้เป็นอารมย่อมเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมดาด้วยประการฉนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วคือข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้การถึงโอกาสได้ในที่คับแคบเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน การถึงโอกาสนี้คืออนุสติหกประการนี้แลจบกัจจานสูตรที่หกอุทายีสูตรว่าด้วยอนุสติหกครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอุทายีมาถามว่าดูก่อนอุทายีอนุสติมีเท่าไรหนอแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้นิ่งอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระอุทายีแม้ครั้งที่สองว่าดูก่อนอุทายีอนุสติมีเท่าไรหนาแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้นย่งอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระอุทายีแม้ครั้งที่สามว่าดูก่อนอุทายีอนุสติมีเท่าไรหนอแลแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้นิ่งอยู่ลำดับนั้น ท่าพระอานนท์จึงกล่าวกับท่านพระอุทายีว่าดูก่อนท่านอุทายีพระศาสดาตรัสถามท่านท่านพระอุทายีได้กล่าววา่าดูก่อนท่านอานนท์ผมได้ยินพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอ พร้อมทางบุญเทศด้วยประการชนิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดกะท่านพระอานนนว่าดูก่อนอานนนเราได้รู้แล้วว่าอุทายิภิกษุนี้เป็นโมคบุรุษ ไม่เป็นผู้ประกอบอธิจิตอยู่แล้วตรัสถามท่านพระอานนท์ต่อไปว่าดูก่อนอานน์อนุสติมีเท่าไรหนอแลท่านพระอานน์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติมีห้าประการห้าประการเป็นไนคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการบรรบลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมทําอาลกะสัญญาไว้ในใจย่อมตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันอยู่เธอกระทําอาลกะสัญญาว่ากลางวันไว้ในใจฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเธอมีใจปลอดโปร่งอันนิวรไม่พัวพันย่อมเจริญจิตที่มีความสว่างด้วยประการชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้เบื้องต้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มเต็มด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้มหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสมหัดหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดดังนี้ ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละกามตราคะอีกประการหนึ่งภิกษุพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันหรือสามวันพองขึ้น มีสีเขียวครามมีน้องไหลออกเธอย่อมน้อมซึ่งกายนี้เข้าไปเปรียบอย่างนี้ว่ากายแม้นี้แลย่อมมีอย่างนั้นเป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้อันหนึ่งพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไว้ในป่าช้า ฝูงกานกตระกุมแรงสุนักสุนักจิ้งจอกหรือสัตว์ปานชาติต่างๆกำลังกัดกินเธอย่อมน้อมกายนี้เข้าไปเปรียบอย่างนี้ว่ากายแม้นี้แลย่อมมีอย่างนั้นเป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ด้วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ อันหนึ่งพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไว้ในป่าช้ามีโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นเป็นเครื่องพูมีโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดมีเอ็นเป็นเครื่องพูมีโครงกระดูกแปรสจากเนื้อและเลือดมีเอ็นเป็นเครื่องพูเป็นท่อนกระดูกแปรสจากเครื่องพู เรียดรากไปตามทิศต่างต่างคือกระดูกมือทางหนึง่งกระดูกเท้าทางหนึง่งกระดูกแข้งทางหนึง่งกระดูกขาทางหนึง่งกระดูกเอวทางหนึง่งกระดูกสันหลังทางหนึง่งกระดลกศรีรษะทางหนึง่งเธอย่อมน้อมกายนี้แลเข้าไปเปรียบอย่างนี้ว่า ได้แม้นี้แลย่อมมีอย่างนั้นเป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้อันหนึง่งพึงเห็นสรีระเหมือนถูกเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังเป็นท่อนกระดูกเรียดราดเป็นกองเกินหนึ่งปี เป็นท่อนกระดูกผุเป็นจุนเธอย่อมน้อมกายนี้เข้าไปเปรียบอย่างนี้ว่ากายแม้นี้แหลย่อมมีอย่างนั้นเป็นธรรมดาย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติ ซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอัศมิมาณนะอีกประการหนึ่งภิกษุบรลุจตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัะโทมนัะก่อนๆได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุทั้งหลายประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนุสติห้าประการนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนนนท้าเช่นนั้นเธอจงจำอนุสติข้อที่หกแม้นี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่ มีสตินอนมีสติประกอบการงานดูก่อนอานอน์นี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อสติสำปัญญะจบอุทายีสูตรที่เก้า นริยสูตรว่าด้วยสิ่งยอดเยี่ยมหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุตริยหกประการนี้หกประการเป็นไนคือทัศนานุตริยะ1สวานานุตริยะ1ลาพานุตริยะ1ึิงสิกานุตริยะ 1ปาริจริยานุตริยะหนึ่งอนุสตานุตริยะหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตริยะเป็นไนดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้าง ม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนี้นั้นแหลเป็นกิจเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรับตั้งมั่นมีสัตธาไม่วั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุสทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับศู์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งสึ้นนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่งไปเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะเป็นดังนี้ก็สาวนานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกรองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำๆ่ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับศูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใส ย, ยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เราเรียกว่าสวนานุตริยะสวนานุตริยะเป็นดังนี้ก็ลาพานุตริยะเป็นอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์บางหรือลาบมาบ้างน้อยบางหรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 อเยี่ยมกลัวการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาะธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน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 ลาพานุตริยะเป็นดังนี้ก็สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้าง หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกระสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมศึกษาอธิสินบ้างอธิ จ, จิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลาย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 มีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมศึกษาอธิศินบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรร ม, มวิัยที่พระปถาคตรประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานนตติยะสิกขานนตติยะเป็นดังนี้ ก็ปาริจริยานุตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างสมณะบ้างพรามบ้างคฤหบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด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 การบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยธรยรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ก็อนุสตานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภริยาบ้างทรัพย์ บ, บ้างหรือการได้มากน้อยระลึกถึงสมณนะหรือพรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด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 ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสักด์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุ ย, ยธรรมเพื่อทำให้แจ้งสึ่ง น, นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธา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 สุเหล่าใดได้ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะยินดีในสิกขานุตริยะเข้าไปตั้งการบำรุงจะเริญนอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาณ มีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลภิกษุเหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควรจบอนุตตริยสูตรที่สิบจบอนุตตริยวัตที่สาม